ถึงจะพ้นตัณหาได้ชันทะมาก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญาจนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริงมีข้อความสำคัญที่ขอนำมาย้าไว้เป็นข้อควรสังเกตและช่วยทบทวนสาประการคือข้อที่1เด็กชายสองคนคือเด็กชายตัณหากับเด็กชายชันทะไปเห็นเครื่องรับวิทยุเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและได้ฟังเสียงจากวิทยุนั้นด้วยกันเด็กชายตันหาได้ฟังเสียงจากวิทยุแล้วชอบใจเสียงไพเราะและเสียงแปลกเขาคิดว่าถ้าเขามีวิทยุไว้สักเครื่องคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินมากก็จะเปิดฟังทั้งวันทีเดียวและเขาทราบมาว่าคนที่มีวิทยุมีไม่มากใรมีก็โก้เก๋เขาคิดว่า ถ้าเขามีวิทยุแล้วเขาจะเด่นมากเพื่อนๆจะพากันมารวมดูเขาเขาจะถือวิทยุเดินอย่างภาคภูมิใจไปไหนก็จะเอาไปด้วยจะเอาไปอวดคนน้นคนนี้คิดอย่างนี้แล้วเด็กชายตันหาก็อยากได้วิทยุเป็นกำลังกลับถึงบ้านก็ไปรบร้าคุณพ่อคุณแม่ให้ไปซื้อมาให้เขาเครื่องหนึ่งให้จงได้เขาถึงกับคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ เขาจะไปด้อมๆที่ร้านถ้าได้ช่องก็จะขโมยมาสักเครื่องส่วนเด็กชายฉัน tha ได้ฟังเสียงจากวิทยุแล้วก็แปลกประหลาดใจเขาเริ่มคิดสงสัยว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเครื่องที่เกิดเสียงนั้นคืออะไรมันทำให้เกิดเสียงได้อย่างไรเขาทำมันอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรจะเอาไปใช้ทาอะไรได้บ้าง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 และพฤติกรรมของเด็กทั้งสองนี้องค์ธรรมในตอนเริ่มต้นเหมือนกันคือหูซึ่งเป็นอายตนะภายในบวกเสียงคืออารมณ์เกิดการได้ยินคือโสตวิญญาณเท่ากับผัสสะคือรับรู้เสียงเกิดเวทนาคือสบายหูเป็นสุขเวทนาแต่ต่อเจเวทนาแล้ว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 คิดเกี่ยวกับการเสเวทนาและการเสริมขยายตัวตนเมื่อคิดอย่างนั้นก็เป็นการหล่อเลี้ยงอวิชาเอาไว้ทําให้ตัณหาเพิ่มพลังแข็งแรงและขยายตัวขึ้นอีกพฤติกรรมของเขาก็จึงเป็นไปตามความบวงการของตัณหาส่วนเด็กชายสันท่าเมื่อกระบวนกาธรรมะสืบต่อมาถึงเวทนาแล้วเขาไม่ไหลเรื่อยต่อไปอยังตัณหา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 คือประโยชน์ปัจจุบันหรือระดับศิลธรรมสำหรับชีวิตประจำวัน